อนุมโมทนานะนุมโมทนาโภชนะอาหารก็ได้รับการสนับสนุนทางโภชนะอาหารจากศรัทธาญาติโยมเนี่แหละเสร็จพวกเราก็ยืนอยู่ในโอกาสเวลาอันเดียวกันนะคือพอที่จะรู้ทำเห็นทำ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 ไม่ได้จ้างสักบาทสักสลึงเลยนะแต่พวกเราก็ทำกันเบื่อหน่ายในการที่จะศึกษาสะดับรับฟังประพฤติปฏิบัติเรามองข้ามาศาสนามองข้ามใจตัวเองจะไปเอาอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราจะไปเอานั่นคือสิ่งที่เราจะไม่ได้ เขาใจ้ okay, หเนี่ยสิ่งที่เอาไปได้ไม่ยอมทำจะไปเอาตั้งแต่สิ่งที่เอาไปไม่ได้นี่มันเกิดเรื่อมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะเราสงสารพวกคุณมากเพราะอะไรเพราะความไม่รู้สงสารมากนะ เราถึงพาชตาญาโจมมาภาวนานี่คืออะไรเขาเลี้ยงดูเราด้วยโภชนะอาหารทุกเชา้าจะมาให้เขารับเฉพาะอายุบรรณโนสุก ข, ขังพลังนี้ไม่ใช่แล้วมกักงมันก็มนุษย์เหมือนกันยืนอยู่โอกาสเที่ยวเดียวกัน ธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งรูปธรรมเสียงธรรมกลิ่นธรรมปึกกองอยู่ทั่วโลกจะมาปล่อยกันทิ้งไม่ได้แล้วมั้งก็เลยมาชวนศรัทธาญาติโยมภาวนาที่วันดอยอตมานี้พัฒนาภาวนาขึ้นเยอะนะโดยเฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยจะทำการบวชชีสองเดือน ถวายเป็นพระราษช ก, กุศลนะเ อ, อบวชพระก็บวชแล้วทีนี้จะบวชชีเพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราษช ก, กุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีพันปีหลวงด้วยนะหนึ่งร้อยพันษาของสมเด็จสังฆราชด้วยสิย่งไหนที่จะเป็นบุญก็ทําทไป แล้วรับป้อนก่อนนะโชคดียะธรรมาริวะหาปูราปาริปุรินติสะะรังเอวะมิวะอิโตทินังเตตาังอุปะกะปติ ยิตังปฏิตังตูมหังคิดบมมาสามิชาตูสัพเพปุเรนตูสังกปะดันโดปนารโสยตามะนิโชติอรโสยตาสัพพิอิยมิภะ เวนัสตุมาเตภะวะวันจารยุสุขีกายุโกภะวะอภิวันทานาสิิ <Yeah. S 1> ที่อายุวันโนสุขังอานังชัยาเสธยทิธานังลาภสุตเียภาขยังสุขังเสียิรอายุจบันโนจับโต โมกังบุติจายสมาสตะมัสสะจาญุจฉิมสิทธิ อนสะพเจวะตาสะพบุตเวนะสะทาโสตีปะวันโตเตบาวะโตสะพมังคาร สัพพังคะรรคะนตุสัพเพดวะตาสัพสังนุเนะสัส